ถามว่ถ้าดูในเรื่องของภาษาอาหารถ้าย้อนขึ้นไปดูตวันิงกะาอาหารเหตุเกิดของอาหารอะไรเหตุเกิดของตวันิงกะลาอาหารอเลยอะไรคือเหตุเกิดของอะรรู้ไหมเล่เ <c> จ <oughs> นเลยเธอเจนกันให้ตัณหาทั้งหมดเลยถามว่าในขณะที่จะแสวงหาอาหารต่างๆเหล่านี้เป็นต้นน่ะถามว่าเมื่อยังมีตัณหาอยู่มีไหมที่จะไม่มีตวันิงกะลาหารตัณหานั่นเองเป็นปัจจัยเกิดการที่จะทําให้แสวงหา นั่นแหละคือท่านใพิจารณาเห็นด้วยความเป็นไทยคือปัญหาเป็นปัจจัยให้การแสวงหาอาหารที่เป็นคำคำที่ต้องการให้ศรีล้าร่างกายอยู่ได้ก็ให้พิจารณาถึงเหตุเกิดแล้วก็พิจารณาถึงความดับถ้าปัญหาดับแล้วเนี่ยนะกาวะลิงกลาอาหารก็ดับภาษาอาหารก็ดับรู้เหตุรู้รู้อาหารรู้เหตุเกิดของอาหารรู้ความดับของอาหารถามอะไรดับถามว่าปัญหาดับสภาพของปัญหาดับนั้นเป็นชื่อของอะไร เป็นชื่อของนิโรธเป็นชื่อของนิพพานนะเพราะถ้าตัณหาดับหนึ่งนิพพานนะนิพพานถ้าตัณหาดับก็คือว่าครบก็ดับเมื่อตัณหาดับอาหารดับหมดเลยนะกวริยกรอาหารดับภกษาอาหารดับมโนสังเกตนาอาหารก็ดับและวิญญาณอาหารก็ดับเมื่ออาหารไม่มีปัจจัยไม่มีสมุทัยไม่มีที่อาศัยแล้วเนี่ยอาหารก็เป็นไปไม่ได้ที่เห็นง่ายๆก็คือถ้าไม่กินอาหารนี้ดับไวเร็วดับเร็วมาก เป็นปฏิปทาเนะี่ยข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับของอาหารนั้นที่บอกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมาวายามสมาสติสมาสมาธิเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับของอาหารฉะนั้นถ้าหากว่าอริยสาวกรู้ทัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารรู้ทัด ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งอาหารอย่างนี้เมื่อนั้นน่ะเธอจะล่าราคานิสัยเสือได้พระราคานิสัยก็คือล่าราคะเมื่อล่ราคานี่เชื่อล่าอะไรได้ด้วยถ้าล่โลภะได้แล้วเนี่ล่าทิพยิล่มานะได้ล่มานะได้บังเทาในที่นั้นก็คือล่ปฏิฆานิสัยก็ได้ทอนทิพยิมานะเรามีได้ละอวิชชาได้ด้วย ถามว่าถ้าอาวิชชาเนี่ยสามารถละลิถ่ายถอนํารอกอวิชชาได้แล้วเนี่ยแปลว่าไม่มีกิจที่จะเจ้ามาทำอีกต่อไปนี่คือปฏิปทาโดยจักรและทั้งปวงยังวิชาให้เกิดขึ้ น, น ย, ยังวิชาในอรหัตมรรมให้เกิดขึ้น ถ้าโดย้อนกลับไปถึงถ้ายังวิชาที่ในโสดาปริมักให้เกิดขึ้นเราปิดอวัยภูมียังวิชาที่ในอนาคามีมักให้เกิดขึ้นเราละโทสะได้ถ้าละวิหรือว่ายังวิชาที่ในอาหาจะมักให้เกิดขึ้นมาได้ก็เรียกว่าละกิเลสแล้วก็ดับทุกข์ได้ทั้งหมดไม่ต้องไปแ บ, บกภาระและยองงานชีวิไม่ต้องมารับใช้ขันไม่ต้องมาเป็นที่ฆ่าขันไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใคร ไม่ต้องไม่ต้องไาลำบากลำบานถาอย่างนั้นไปที่ไหนไปเหื่นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะเป็นนี่ลองดูที่ไหนบ้างที่สัต์ถือปฏิสันที่ไม่ได้นี่มีเลยวันก่อนไปเกือขี้หมาขนาดในขี้หมานะยพอเคลียขี้หมาออกกระซ้าขี้หมานี่เต็มไปด้วยอะไรรู้ไหม เต็มไปได้วยหมูนอนเต็มไปหมดเลยเยอะเยอะเต็มไปหมดจริงจรนึกเลยนอนหนึ่ตัวคือขันห้าหนึ่งขันห้าเท่ากับขันห้าหนึ่งหนึันห้ามีเต็มไปหมดเลยนะแล้วในก็ลองคิดดูที่ว่าในแผ่นดินก็เต็มไปได้วยสัตว์ที่มีชีวิตในน้ําก็เต็มไปได้วยสัตว์ที่มีชีวิตบนต้นไม้ก็เต็มไปได้วยสัตว์ที่มีชีวิตแม้ในอากาศก็เต็มไปด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแม้ในสิในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็ยัง เป็นด้วยสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยพิจารณาอยู่นี่โอ้โหท่าละกิเลสไม่ได้ท่าละปัญหาไม่ได้ท่าละสมุทัยไม่ได้ถ้าดับภพบชาติไม่ได้ดับขันไม่ได้ดับอวิชชาไม่ได้ดับปัญหาดับราคะไม่ได้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือที่ที่เราจะไปเพราะมันยังตัดไม่ได้มันยังมีเชื้ออยู่เผลอเมื่อไหร่มันก็ลงใช่ไหมเผลอเมื่อไหร่ไปแน่แยังบอกอยกอมเตอเราเผลอเมื่อไหร่ไปแน่แน่ ไม่มีทางจะตันได้ถ้าไม่สามถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ้าหากยังไงนะในความหมายตรงนี้ในคำสอนตรงนี้ก็บอกว่าถ้าเรียสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบไปได้วยความเลื่อมใสในธรรมอย่างไถ้าความทาความเลื่อมใสในธรรมไม่คอนแคนได้มาสู่พระสัตธรมนี้เลยแต่ถ้าตราบใดเรายังมีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ตรง และยังไม่มั่นคงยังคลอนแขนอยู่โดยเฉพาะคลอนแขนในอะไรคลอนแขนในโลกุตละธรรมถ้ายังคลอนแขนในพระจัตธรรม น, นั่นแหละคือที่ที่เราจะไปกันอีกมากมายเลยก็อันนี้ก็กล่าวกระเทศฐานน่ายังพอที่จะเป็นเตือนกันได้เลยนั่นก็แค่นั้นเองเพราะในกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่ต้องการําเตือนแล้วเขาบอกเขาสบายแล้วเขาไม่ตกระลอกแล้วในบางกลุ่ม เ็าบอกสิบห้าวันก็มารักษากินครั้งหนึ่งก็บอกก็ไม่ตกในรกแล้วในกลุ่มนั้นก็าากล้ายๆี่สก็รับผิดชอบก็เบเสร็จแล้วเหลือพวกเราเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเรานีในตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าโดยความหมายนั้นคืออะไรในคำสอนที่บอกรู้ชัดแน่ๆ รู้ชัดในที่นั้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินะถ้าไล่ตามลำดับดังที่ได้ย้ำบ่อยที่เสุดก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิในที่นี้คือมรรคสัมมาทิฏฐิผลแสัมมาทิฏฐิปัจเวสสัมมาทิฏฐิเพราะว่าความรู้ชัดที่จะทําให้ศรัทธาตั้งมั่นไม่คลอนแขนนั้นต้องความรู้ชัดใน อรหัตมักไม่คอนแคลนอยู่อริยาสาวกที่ยังเป็นเจษสาวกคลนั้นยังบางครั้งก็ยังคำว่าคอนแคลนในที่นั้นคือท่านยังจะต้องเวียนไหวได้เกิดอยู่นั่นคือท่านยังไม่ท่านไม่รีบเร่งในการที่จะเพียนพยายามในการที่จะทําให้กิเลสนั้นหมดไปจากขานนั่นเพราะว่าในทัศนะในคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย บอกว่าถ้าพ้นทุกข์ได้เดี๋ยวนี้ต้องรีบพ้นถ้ามีโอกาสต้องรีบเร่งเลยนะเป็นกิจที่ควรรีบเร่งนะไม่ใช่ว่าผัดวันประกันพุ่งมนะันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยถ้าพิจารณาอย่างนี้เสียก็จะไ ด, จะได้จะได้มีความเห็นถูกต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสและก็ในธรรมไม่ครอนแคลนนี้คือในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของอาหารทีนี้ถ้าไปดูในด้านของมโนสังเกตนาอาหารยาเม็ดที่นึ่นะ มโนสังเกตนาหารนั้นเป็นไพลเป็นไพลในฐานะก็คือเป็นตัวกรรมัวมโนสังเกตนาหารนี่นะเป็นตัวกรรมที่ทําปฏิสนธิให้ตั้งขึ้นฉะนั้นถ้าพิจารณาถึงในเรื่องของไพลของอาหารจะดังที่ได้กล่าวบอกว่าในอาหารสี่อย่างนั้นให้สําเร็จอาหารลิกอยู่ด้วยสามารถแห่งการอุปธรรมเป็นต้นควรเห็นไพลสี่อย่างคือในกาวลิงกราหาร ได้แก่ภัยคือความไข่ความอยากตัณหาในการแสวงหาในการบริโภคแต่ละคำตัณหาที่บริโภคกันความอยากในการที่เคี้ยวกินอาหารแต่ละครั้งนั้นอันนั้นเป็นภัยของเพราะเป็นการสร้างปัจจัยของการเกิดไว้หมดเลยเนี้ยภาษาอาหารได้แก่ภัยคือการคล้องแวกคือการติดมโนสัญเจตนาอาหารก็ได้แก่ภัยคือการประมวลมาการสั่งสมนั่นแหละตัวมโนสัญเจตนาอาหารประมวลอะไรไหม ประมวลปฏิสัมพันธ์วิญญาณมาให้ประมวลปฏิสัมพันธ์วิญญาณในอบายภพในมนุษย์เอ่ยในเทวดาแล้วก็ในรูปรพมารูปภพอยู่ไหมปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดสิบเกตัวมโนสังเจตนาอาหารจะเป็นตัวประมวลมาให้ตามสภาพของเจตนาที่บุคคลคนนั้นสั่งสมตามที่จัดการกลับจัดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวประมวลปฏิสัมพันธ์มาให้ แต่ว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยทำด้วยเจตนาที่เป็นโลภะโลภะนั่นแหละก็จะประมวลปฏิสัณฑ์ให้ประมวลปฏิสัณฑ์ประเภทอุเวชาชนติระณนะอกุศลวิบากให้ถ้าทำกรรมประเภทที่โทสะก็คือโทสะนั่นแหละจะทำจะเป็นตัวประมว ล, ลประมวลปฏิสัณฑ์ก็คือให้เป็นสัตว์นรกเป็นต้นให้ไปเกิดึงในอบายสัตว์นี ถ้าทําตามที่สหโคตด้วยโมหะคือความไม่รู้ตามความจริงก็เขานั่นแหละจะเป็นตัวที่ประมวลให้ปฏิสตที่ตั้งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าทำกรรมประเภทที่เป็นทวิเหตุกะโอมะกะนี่นะประเภทที่อ่อนมากจะเป็นกุศลนี่นะจะทําอะไรทํากุศลก็จะเล่นไปแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้พิจารณาไม่ทําอสังขาริขให้เกิดขึ้นเลยเนะี่ยทําอ่อนๆเรื่อยๆค่อยๆไ ป, ไป น, ไนั่นแหละ เขามีบาปวนเป็นส่วนมากเนี่ยเอ้นี่แหละนั่นแหละอุเบกขาครับสันตีไดนากุสลนั่นแหละจะเป็นตัวตั้งขึ้นเรื่องหน้าของกรรมที่มีเหตุไม่บริบูรณ์ถ้าทํากรรมประเภททวิเหตุกระเขาก็จะประมวลหมายบาปญาณนวิปยุทธ์นั่นแหละตั้งขึ้นถ้าทํากรรมประเภทตีเหตุกะเป็นโอมกะหรือเปล่าเออเป็นเป็นหรือเป็นอุกถานี่ก็ต้องไปพิจารณาดูถ้าหากเป็นอมกะ ไม่เป็นอุกติะเขาก็ทำให้เป็นกลุ่มของทวีเหตุกะบุคคลเกิดมาแล้วก็การศึกษาการฟังวิธธรรมก็ไม่สามารถที่จะบรู้ลได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้เขาเรียกเป็นอาาภพภะบุคคลถ้าทำกตรมประเภทติเหตุกาน์ยถ้าเกิดสร้างอิตอภิยาใสาไว้ดี จเจริญบุญกุศลไว้มากได้พบพระพุทธเจ้าได้เจอภาษาวกของพระพุทธเจ้าได้มีอัธยาศัยที่จะต่ะรู้ได้เพราะอัธยาศัยมีสําคัญมากนะถามว่าเรารู้อัธยาศัยเราไหมเราไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบแต่ถ้าประมวลพิจารณาโดยแล้วถ้าตามนัยยะของสถิปติฐานเนี่ยอพิจารณายัางไงมีทิฏฐิจะมีปัญหาใช่ไหมถ้าในกลมของปัญหาเป็นอัธยาศัยเนี่ยมีอัธยาศัยทางด้านปัญหาเนี่ย ให้พิจารณาในส่วนไหนคือถ้าในกลุ่มก็าอ้ติดใจชอบของสวยๆงามๆชอบติดใจชอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนะี่ยคือในกลุ่มพวกยินดีพอใจทั้งหลายเนี่ยพวกชื่นชมนู้นชื่นชมนี้มากๆแต่กลุ่มนี้กลุ่มดันหาผลิต ถ้ากลุ่มปัญหาจะหลุดจะเล่ญอะไรกายานุปัสนาปฏิปัฐานกับเวทนานปปัสนาสติปัานเนี่แต่ถ้ากลุ่มประเภทที่ชอบความคิดเห็นชอบลัทธิต่างๆนเนี่ยประเภทที่ชอบแสดงความคิดเห็นเอยชอบค้นคว้าชอบไปฟังที่นู่นชอบไปเช่ญชมความเห็นที่นี่ได้าจมนี้ต้องเจะเล่นอะไรจิตานุปัสนากับ ทำมาในศาสนาก็ต้องต้องแยกให้ออกถ้าเราไม่ทราบอัธยาศัยอย่างนี้เลยถ้าประมวลให้ชัดเจนในคําสอนก็จะอยู่เนี่ยนี่อัธยาศัยอยู่สองกลุ่มแต่อย่างพวกเราทั้งหลายยังไงเราไม่ได้ทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อทราบอัธยาศัยอย่างนี้แล้วถามว่าพระธรรมที่เราจะฟังแล้วให้ตรงกับอัธยาศัยของเรานั้นควรฟังเยอะๆไหยงนะี่ควรฟังมากๆพราะฟังมากๆแล้วคนคนนั้นก็จะเริ่มตรวจสอบตนเองได้ถูกต้องว่าตนเองนั้นเหมาะแก่อะไรอะไรนี้ ดีกว่าให้คนอื่นกําหนดให้ถ้าคนอื่นไปกําหนดให้เนี่ยแล้วเราบอกเอ้เราชอบอยู่นะแต่เราไม่ได้สั่งสมมาในถามว่าอะไรจะเกิดเข้าใจไหมเนี่ ย, ะ ย, นนยฉะนั้นภัยเนี่ยนะภัยในการที่จะต้องไอ้มนโนสัจเจตนาหานี่แหละเขาก็ประมวลประมวลปฏิสนมพี่มาให้ปฏิสนมพี่ในกามมพบในรูปประพบในอารูปประพบนั่นแหละที่ตัวปฏิสนมพี่ไอ้ตัวตามนั่นเองที่ตัวสั่งสมมาให้ วิญญาณอาหารที่แก่ภัยคือการตกลงมาจำเพาะคือการจำเมฆคือการเกิดขึ้นมาเขาว่าตกลงมาก็โดนหอกชิ้นสัตว์ทั้งหลายสร้างภัยคือความไข้ในอาหารมุ่งหน้าต่อความหนาวเป็นต้นทํางานมีการนับด้วยนิ้วมือเป็นต้นดังที่ได้กล่าวสการต่อมาคือชนทั้งหลายผู้มีอัสสาทะคือความยินดีพอใจในภาาัสสะแม้ประเชนกับภาาัสสะก็จะเบียดเบียนซึ่งสิ่งของทั้งหลายมีก็หมายความว่า ในขณะที่ตนเองนั้นเนี่ยได้เจอสิ่งที่ถูกใจทั้งหลายก็จะเป็นปัจใจัยให้เกิดปัญหาหรือความยินดีพอใจแล้วก็ทํากรรมกบกถ้าหากว่าไปรักไปชอบในสิ่งใดแล้วก็จะยินดีพอใจในสิ่งนั้นตัวผัสสนี่แหละเป็นตัวที่นําความทุกข์นำโทษมาให้นะส่วนปฏิสนัมพิช ญ, ญานก็จะรับเอาปฏิสนมพินามรูปนี่แหละให้เกิดขึ้นเอเยอะเยกอย่างกรรมทั้งหลายเนะี่ยกรรมที่มีอาสาท่าในผัสสนี่ในผัสสนี่ก็ เป็นรากฐานและเป็นเหตุใหประสบภัยทั้งในปัจจุบันและสัมรายะพทีเดียวด้วยประการฉนี้วนะเนีคือบางทีในการจะทํำกรรมชั่วทั้งหลายมันมีรสอร่อยในขณะทำเนี่เอาที่ผ่านมาเนี่ยเคยทํากรรมด้วยตัญหามากมายเนี่ยอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าถ้าดูสิ่งนี้แล้วเราชอบใจเนี่ยอย่างนั้นก็เรียกทํากรรมด้วยอาสาทะด้วยความยินดีพอใจเนียฟังเสียงเสียงนี้แล้วด้วยความชอบใจด้วยหน้าของตันหาเนี่ ที่จริงมันไม่ได้อยู่แค่ดูแล้วอยู่แค่ได้ยินเท่นั้นนะมันเอามาทําด้วยใช่ไหมมันเอามาประกอบกายกรรมวิีกรรมและมโนกรรมซึ่งเป็นทุติิตตามมาด้วยไอ้ตรงเนี้ยจึงบอกว่าอสสาศะทเนี่ยแล้วก็เป็นปัจจัยการทํากรรมเนี่ยปัญหานั่นจะเป็นปัจจัยทั้งให้ทำกรรมเนี่ยถามว่ายังเไงลองไปพิจารณาโดยอย่างนี้ทีกว่ า, าว่าคนที่เขาฆ่าคนถ้าคนคนนี้ตายเขาถือพอใจยังไง แต่ตอนฆ่าไอตอนที่จะไปลงมือฆ่าเป็นโทรศัพท์เนี่หรือถ้าคนคนนี้วิบัติไปแล้วเขาสบายใจคนคนนี้หลีกทางเข้าไปได้นในกลุ่มที่เขาแย่งกันเนี่ยทุกคนเคยทํามาในเรื่องแบบนี้อาจจะเบียดบงังโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างเยอะตัวอย่างในขณะที่ทํางานแข่งขันกันเนี่ยพรอกายจะแข่งขึ้นมาให้กินเนี่ยเอาทําธุรกิรมจะเล็กๆน้อยน้อยหรือใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่มีการจีดกันกันไหมจีดกันแล้วไม่จีดกันต้องจีดันอยู่แล้วทีนี้การจีดกันก็ต้องมี ความยินดีพอใจว่าเอ๊ะถ้าคนคนนี้ไม่ไม่ขวางเส้นทางเราเนีย่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราส่งของเนี่ยเมื่อเราส่งของเรามีลูกค้าสายของเราอยู่เนี่ยก็ต้งมีการแย่งจริงอยนางละหนึ่งแย่งชิงแย่งชิงว่าเดี๋ยวเราก็จะเสียลูกค้าส้ า, ายของบางทีก็ต้องโดเวลาเ น, น้นขายได้ดีแล้วบางทีเขาขายได้ดีเพราะอะไรเนี่ยทำกรรมด้อาสากะ ทีนี้มันก็ได้ทุกข์ในรับโทษในปัจจุบันแล้ะะวก็สำเร็จยาพบเพราะเหตุนั้นการคล้องแวะในภักษานั่นเองซึ่งทราบว่าเป็นไปแม้ในพทั้งสามที่มีกุศลและกุศ ล, ลกรรมเป็นสมุดฐานนั้นน่ยก็จะมาทั้งหมดเป็นเลยในพิจารณาการการที่ศึกษ า, าต่อกันดูนะเพราะอาสาท่าที่เกิดขึ้นจากภกษามีใช่ไหมภาษาท่ไอภักษานี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รับภัยตัญหาคื่ในขณะที่เราปรารถนาภักษาที่อร่อยอร่อยหรือที่ดีเนี่ย ก็เป็นปัจจัยในการที่จะเราทําให้เราได้รับโทษในปัจจุบันและในสัมภาระภพเรื่อในขณะเดียวกันกรรมก็ตั้งขึ้นในขณะนั้นเจตนากรรมทั้งหลายทั้งที่เจตนากรรมในโลภะในโทสะและในโมหะเป็นต้นก็ตั้งขึ้นโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ไงแต่เจตนากรรมที่จะเป็นกุศลก็น้อยแต่ที่จริงถ้าเจตนากรรมที่เป็นกุศลเป็นภัยไหมเป็นภัยเนี่ยก็ยังเป็นภทยอยู่นั่นแหละ เนภัในการเกิดแต่ถ้าภัยอย่างนี้เอาไว้ก่อนดีนะภัยนี้เอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นภัยระยะยาวและเป็นภัยให้ความเย็นใจจะอย่าลืม น, นะให้ความร่มหลงมีคนงามคนไหนบ้างคนที่ดีที่เกิดเช่นไหนบ้างที่ไม่หลงจนไม่ดีเลยขนาดม่งามยังหลงกันางนี้ฉะนั้นแนหะภัยในะพบทั้งสามในตามมาพบรูปภพและรูปภพนั้นถามว่าอะไรละเป็นภัยนํามาสู่ กุศลกรรมอาุศลกรรมที่เจตนานเนี่ยและเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลนั่นเองเป็นมูลฐานจะมาถึงหมดเพราะการประมวลมาซึ่งกุศลกรรมและอาุศลกรรมนั้นเองเพราะเหตุนั้นนะ่ะการประมวลมาในมโนสังเกตนาน ะ, ะนั่นเองถึงทราบว่าเป็นภยัยเป็นโทษเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากดังที่ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัว ส่นปฏิสัณฑที่วิญญาณก็จะรับปฏิสัณฑที่นามรูปจะรับเอาปฏิสัณฑที่นามรูปนั่นแหละเกิดขึ้นในที่เกิดที่ถือกําเนกและเมื่อปฏิสัณฑที่วิญญาณนั้นเกิดขึ้นมาแล้วภัยทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนกันเพราะมีปฏิสนณฑ์เป็นมูลคำว่าภัยทุกอย่างในที่นั้นรู้ไม่ว่าภัยคืออะไร การเกิดเป็นไทยถ้าไม่เกิดนั้นไม่เป็นไทยความเกิเป็นไทยถ้าไม่เกิไม่เป็นไทยความตายเป็นไทยถ้าไม่ตายนี่เป็นไม่เป็นไทยนะโศกความโศกเป็นไทยความไม่โศกไม่เป็นไทยปริเทว่อความบ่นเพือนี่เป็นไทยถ้าไม่บ่นเพือไม่เป็นไทยความทุกข์เป็นไทยถ้าไม่ทุกข์นี่ไม่เป็นไทอุปายาตนี่เป็นไทยถ้าไม่มีอุปายาตไม่เป็นไทยโดยย่ออุปาทานขันห้านี่เป็นไทยถ้าไม่มีขันห้า ไม่มีภางนี่าเต้องแยกให้ออกก็คือต้องอถ้าหากมาพิจารณาให้ละเอียดแหละมีผมเป็นไทยใช้ไถ้าไม่มี ก็ไม่มีไัยคือไม่ต้องมีไัยจากการที่จะต้องมีผมมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีแก้มเป็นต้นเนล้วนมีไัยแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ดับสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือปลอดภัยก็ไปตรึกพิจารณาให้ดูแมอจะมีจิตนี่เป็นไัยเป็นไผ่เป็นไผ่ที่เนี่ยมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันละวิญญาณขันไม่เป็นไผยถ้ามีปฏิสัมพันธวิญญาณก็วงบอกว่าจะต้องมีนามและรูป คือถ้ามีปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงมีไหมที่จะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารและไม่มีตรรมไ ม, มสรุปตั้งขึ้นนี่เลยฉะนั้นถ้าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณตียก็เชื่อว่าภัยทั้งหลายจะไม่ตามมาลองมาพิจารณาโดยเด็ ว, เดวต่อไปจะได้ดูในสัจจวาระก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเลยเนียว่ามันเป็นภัยขนาดไหนเมื่อพิจารณาอย่างนั้นเพื่อครอบงามความไข่เลยถึงบอกว่า ตกลงโดยเฉพาะพิ่งทราบว่าภายในวิญญาณอาหารดังนี้แล้วแต่ในจำพวกอาหารสี่อย่างเหล่านั้นที่ว่าเป็นภัยอย่างนี้ก็จะได้ครอบงามความไข้ในชาวลิงกราหารถ้าสา ม, มาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกลียบเทียบดึงเนื้อบุตรโดยที่ว่าดูก่อนบิกษุทั้งหลายผัวเมียทั้งสองแม้ฉันใด ไอ้ตรงนั้นก็ซาไปย้อนพิจารณาอย่างเดียนะแล้วเมื่อจะครอบงามความไพ่ในผักสาอาหารก็พิจารณาถึงเมื่อโคที่เขาถลกหนังแล้วเมื่้ฉันใดก็พิจารณาถึงแม่โ ค, ท, ท, โคที่ยืนถูกถลกหนังและยืนอยู่กลางแจ้งเพื่อจะให้ครอบงามความไพ่ในมโนสังเกตนาอาหารก็พึงแสดงถึงการเปรียบเทียบด้วยหลุมทานเพิงเหมือนหลุมทานเพิงเลยนะโดดลงไปดูก่อนทุกสุดทั้งหลายหลุมทานเพิงเนะี่ยแม้ฉันใดเป็นต้นเนี่ย เพา่อจครอบงมความไข่ในวิญญาณอาหารก็ให้แสดงการเปรียบเทียบโดยการผูกเข็มแทงตั้งส0มร้อยเล่มว่าเป็นไทยเป็นต้นอันนี้มาสรุปเนะี่ยมันจะมีงั้นทีนี้กลับไปพิจารณาตรงที่บอกว่าตัณหาเกิดอาหารเกิดตัณหาดับแล้วก็อาหารดับถามว่าตัณหาเกิดอาหารแล้วก็เกิดตัณหาสมุทยาอาหารสมุทโยเนี่ เพราะตัญหาเก่าก่อนเกิดขึ้นสมุทัยคือเหตุเกิดเดนี่ยนะคือการเกิดขึ้นแหงอาหารทั้งหลายมีมาแต่ปฏิสนมพี่ย่อมมีขึ้นนะหมายความว่าเพราะในขณะปฏิสนมพี่มีโยชาเกิดขึ้นแล้วในภายในนั่นเองถามว่าเออตัวที่บอกว่ารูปสามสิบท่วนกายาทัศการาบวัตถุทัศการกรา บ, าราบแล้วก็อะไรอย่างนี้ภาวะทัศการาบสามสิบรูปนี่นะ ที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งสันติสามนี้คือว่าเกาลิงกราหฐานที่เป็นอุปาทินิกามีใจครองเกิดขึ้นเนัณหาเป็นปัจจัยส่วนผัสสะอาหารมโนสังเกตนาอาหารและวิญญาณอาหารที่เป็นอุปาทินิกะเหล่านี้คือผัสสะและเจจนาที่สัมยุญโ ด, ดยปฏิสัธิและวิญญาณอาหารคือตัวจิตนั่นเองเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยตรงนี้ขยายได้ไ้ยที่กลับมาทวนตรงนี้ต้องการขยายไหมขยายได้ไหมตันหาเป็นปัจจัยแก่เกาลิงกราหฐานอย่างไร ถ้าปัญหาเกิดอาหารเกิดไหมกาวิงกะอาหารเกิดคือตราบใดก็มีตัญหาใช่ไหมถ้ามีกายมาปัญหาตัญหาในกามภูมิก็เกิดใช่ไหมอาหารอาหารในกามภูมิก็เกิด Peace. ถ้ามีภาวะปัญหาตัญหาในรูปภูมิในอรูปภูมิเป็นต้นก็เป็นอย่างนี้ถามว่าท่าในกามภูมินี่แหละอาหารเกิดได้กี่อย่างกาวิงกะอาหารได้ภาษาอาหารได้มโนสังเกตอาหารก็เกิดได้และวิญญาณอาหารก็เกิดได้ใช่ไหมท่าในรูปภูมิอะไร สวัสดิ์จลาหารได้ไหมไม่ได้แต่มีภัาษาอาหารนี่แหละมีต้องมีภัาษาเจริสุขมีมนโนสังเกตานอาหารแล้วก็มีวิญญาณอาหารถ้าในรูป ภ, ภูมิก็มีอาหารสามนะเน้นสวัิดิ์จอาหาราามันก็ยกยากไม่ออกตรงนั้นเลยแต่ย่งพวกเราก็มีครบเลยนะบางทียังไม่เคยคิดอยากจะขาดอาหารเลยทำบุญป่าถ น, นาใหญ่ตัวให้อยากกินตัวอดอะไรตัวไม่มีสวัสดิ์จลาหารหยอดไม่บางกลุม่มลำบากจริงไนหะ วันๆไม่มีจะหยอดเลยเนาะไม่มีจะหยอดเลยนะหยอดได้นิดเดียวก็หมดต้องคอยวิ่งตลอดเดวลานะา้วฮะแต่เพระเหตุที่ในอาหารวารานี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวถึงอาหารค้าเข้าไปกับอาหารที่เป็นอุปาทินากาที่มีใจคลองและที่เป็นอนุปาทินากาที่มีใจคลองฉะนั้นจึงควรทราบการเกิดขึ้นแห่ง อ, อาหารเพราะตัญหาเกิดขึ้นสําหรับอาหารทั้งหลายที่เป็นอนุป า, า, าทินกาดังต่อไปนี้ในโอชาในรูปทั้งหลายที่ตั้งขึ้น แต่จิตที่ถ่อละโคตด้วยโลภะจิตแต่เชื้อรเนี่ยโรคที่เกิดจากจิตเนี่ยไม่ใช่กรมไม่เชืรูปรคใช่ไหมไม่ใช่กามไม่เชืรูปคือตาวดินกอาหารที่เป็นอนุปาณิชย์อ่ะเข้าใจไหมเป็นอาหารที่ไม่มีเกใจชอบจะสิไม่ได้เกิดจากกรรมอาหารที่ไม่ได้เกิดจากกรรมก็มีใช่ไหมอาหารที่เกิดจากจิตอาหารที่เกิดจากอุตูอาหารที่เกิดจากอาหารไม่ได้เกิดจากกรรมแต่ถ้าอาหารที่เกิดจากตรมนั่นหมายถึงจากครูศาสตร์ในกลุ่มของจากครูศาสตร์ ในกลุ่มสองโสตภาราฐ า, านภาษ า, าชิวหาภาษาและภาษายะภาษ า, ากลุ่มเห น, นี้ก็จะมีอาหารอาหารเหล่านี้เป็นตัวอนุบาลกตามมิเชรุรักษาตามมิเรุกนี่จะเหมือนก็คือแยกให้ออกเลยว่าแท้ จ, จริงแล้วเนี่ยคําว่าอาหารในที่เนี้ท่านหมายถึงอาหารที่มีใจทองและก็ที่ไม่มีใจทองเพิ่แปลกนี่เลยอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะใจให้อาหารเชรุที่เกิด จ, ะจะากกรรมตั้งขึ้นได้ ทำใตั้งขึ้นมาได้ตัญหาที่เกิดขึ้นเพราะพร้อมกันเป็นปัจจัยส่วนผัสสะเจียนนาที่สัมป ย, ยุทธ์ด้วยขีดที่สหแล้วก็ด้วยโลภะวิญญาณตัวนั้นตัวจิตนั่นเองรวมทั้งสามอย่างเหล่านี้ได้เกิดผัสสะมโนชนเทียนนาทั้งที่เป็นอนุปาทินิกะเกิดขึ้นแล้วเพราะมีปัญหาเป็นตัดใจทั้ง่เทียนนาในล้วนมีปัญหาเพราะถ้าพูดถึงในแง่ของตัดใ จ, จมันเป็นปัจจัยโดยเยอะทั้งเป็นปัจใจในแง่ของเกิดใกล้แล้วก็ไกลปัญหาในพบก่อน เป็นป ha ัจจ oh ah ัยให้ก ah oh ah ับอาหารในภพนี้การทํากรรมที eh, ah ่บวกตัณหาในภพก่อนทําให้เรามีอาหารในภพนี้ได้การตัณหาที่บวกกรรมในภพก่อนทําให้เรามีตระลิงกอาหารในภพนี้ลิงอาหารที่เกิดจากกรรมบอกใช่ไหมัดสาอาหารมโนเฉลกกระลาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารตัณหาดับอาหารก็ดับตัณหานิโรโทอาหารนิโรตัณหานิโรโทอาหารรนิโรทัโท ตัณหานิโรธาอาหารนิโรโทรความว่าความดับแห่งอาหารย่อมปรากฏเพราะความดับแห่งตัณหาที่เป็นปัจจัยของอาหารทั้งหลายทั้งที่เป็นอุปาทิมกะและทั้งที่เป็นอุปาทิมกะกัณหาจะดับได้อย่างไรคำว่าตัณหาดับในที่นั้นเป็นชื่อของทานิทานใช่ไหยกตัอย่างเช่นว่าตัณหาดับนี้เป็นชื่อของสมูทัยยะดับ การจะดับตัณหาได้นั้นจะต้องมีปฏิปทาข้อปฏิบัติต้องมอะไรถ้าการกําหนดในด้านของยาตัปริญญาในการจะรู้อาหารแล้วก็ถ้าเป็นการจะรู้อาหารสภาวะของอาหารแล้วก็รู้เหตุเกิดของอาหารดังนั้นการที่จะรู้เหตุเกิดของอาหารในที่นี้รู้ตัณหาที่เป็นเหตุของตวลิลินอาหารรู้ตัณหาที่เป็นเหตุของผัสสาหานรู้ตัณหาที่เป็นเหตุของโนสันเกตนาหารและก็รู้ตัณหาที่เป็น เศษของวิ น, า, นาหารใช่ไหมรู้ตัณหาเป็นเศษของซึนน็นสมูทไทยของอาหารทั้งสี่ใช่ถ้าไปทำยาตรปริญญาคือการรู้ในทุก์รู้ในแะไรรู้ในอาหารรู้ในอาหารยังไง ร, รู้อัาธะคือคุณของอาหารรู้อาทีนวะคือโทษภัยของอาหารแค่นี้พอหรือยงังใช่ไหมต้อง<ม>รู้ปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับของอาหารถามว่าอะไรดับ อาหารยิงดับบตัณหาที่ตัณหาจะดับได้ด้วยอะไรปฏิปทาที่จะเป็นข้อดับอาหารใช่ไม้มแท้ที่จริงก็คือดับอาหารด้วยดับเหตุเกิดของอาหารคือดับเหตุเกิดนั่นแหละเออในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนบอกว่าในอาหารวารานี้ท่านภาษารีบุตรได้กล่าวถึงสัจจะทั้งสี่ไว้โดยสรุปแล้วอาหารเป็นทุกขสัจเหตุที่ให้เกิดอาหารดึงสมุทัยสัจจะความดับอะไรดับอาหารดับเหตุของอาหารเป็นนิโรธทัศ ก็คือมีโลดนี่แหละก็คือตัณหาดับอาหารก็ดับในหน้าที่ห้าร้อยแปดสิบสองเนี่ยตัณหาดับอาหารก็ดับอันนี้เป็นชื่อของนีโลดเป็นชื่อของนิพพานใช่ไหมส่วนปฏิปทาเครื่องดันเมินที่จะเข้าไปถึงการดับของอาหารนั้นแล้วก็เหตุเกิดของอาหารนั้นเป็นอริยมรรคฉะนั้นในคําสอนที่ว่าพิสูจ น, นนั้นนะรู้ชัด รู้ชัดในเหตุเกิดรู้ชัดความดับที่บอกตัญหาเกิดอาหารยังเกิดเพราะตัญหาดับอาหารจังดับอริยมรรยงแปดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอาหารมีเป็นอย่างนั้นนี่ลงในอริยสัจนะพิกูจน์เหล่านั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาภาสิตของท่านพระสารีบุตรว่าดีแล้วใต้เท้าดังนี้แล้วก็ได้กล่าวเปลี่ยนถามปัญหาท่านพระสารีบุตรให้สูงยิ่งขึ้นไปตรงนี้ไปดูใน สัจจาวาละกลับไปดูในหน้า524เนะี่คือภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมอนุโมทนาภาสิตของท่านภาษาริบุตรแล้วก็ถามว่าใต้เท้าดังนี้ก็จะกาบเรียนถามปัญหากับท่านภาษาริบุตรให้สูงขึ้นต่อไปเนะี่ยวิธีถามของภิกษุเหล่านั้นก็ถามบอกว่าใต้เท้าจะกาบเรียนถามปัญหากับท่านภาษาลิบุตรว่าใต้เท้ายังมีเหตุคือยังมีปริยายอย่างอื่นอีกบ้างไหมที่จะให้ อริยาสาวก ม, มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเบื่อสายในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้เนะี่ยคือต้องการที่จะถามคำถามที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปประเภทเวทละดังที่ได้กล่าวนะท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบว่ายังมีอยู่คุณและก็ได้กล่าวคำนี้ว่าคุณเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชุดรู้ชัดทุกเหตุให้เกิดทุกความดับแห่งทุกรู้ชัด ปฏิบัตาให้ถึงความดับแห่งทุกข์เพียงเท่านี้แหละคูณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรครแวนได้มาสู่พระสัจธรรมนี้แล้วไงไม่ว่าก่ายังมีอีกนะที่สูงกว่าอาหารหนึ่งหรือยังมีอีกหนทางที่จะเข้าสู่อมตะหรือหนทางที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐินั่นไนะ ไม่ใช่มีแค่นั้นยังมีอีกคุณเริ่มสังเกตใย่ไหมว่าในกรรมบทก็ให้มีสัมมาทิฏฐิในกรรมบทในอาหารก็ให้มีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ในอาหารสี่อย่างทีนี้ในสัจจะทั้งสี่ก็ให้รู้ให้มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องโดยสัจจะทั้งสี่ก็อะไรแล้วคูณเป็นทุกข์ความเกิดบ้างความเกิดบ้างเป็นทุกข์ความแก่บ้างเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ความเศร้าโศกคร่ำครวญความทุกข์กายความเสียใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์การประจวบกับคนและสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดภากจากคนและสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์แมอปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังการไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นทุกข์โดยยอ่อขันนั้นเป็นที่ตั้งของอุปาทานคือความยึดมั่นทั้งห้า เป็นทุกข์โรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นที่ตั้งของอุปาทานเป็นที่ตั้งของความยึดมัน่นนี้เราะเรียกว่าทุกข์ละคูนมึงอันนี้เป็นการแจกแจงทุกขะอริยสัจเพื่อให้รู้จักทุกข์ใช่ไหมทุกขะสัจนั่นเองแล้วก็ถามต่อไปว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรละคูนบอกว่าตัณหาที่เกิดในภพใหม่เป็นด้วยความกำหนัดความเพืชดเพลอ น, อนความเพลิดเพลิ น, พนยิ่งนะักตัณหาในภพคือ การ ม, มาตัญหาความอยากได้ในสิ่งที่ใค่เพภาะวะตัญหาความยินดีพอใจในพบพวิภาวะตัญหาความยินดีพอใจในโรคพบนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือทุกขสัมมุทัยละคุณและความดับทุกข์คืออะไรละคูลว่าความดับทุกข์ก็คือตัญหาทั้งสามนั่นแหละเพราะคายกำหนัดไม่มีเหลือเพราะสลัดเพราะสละคืนเพราะปล่อย พะไม่อะไรไม่ยินดีในตัณหาทั้งสามนี้เรียกว่าความดับทุกข์ทุกขนิโรธละคุณแล้วข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์คืออะไรละคุณบอกอริยะอัสดางขิกามัชนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ คือ ท, ทุกคณิโรธคาเินีปฏิปทาคุณเมื่ออริยสาวกรู้ชัดทุกเหตุให้เกิดทุกความดับแห่งทุกรู้ชัดปฏิปทาให้เข้าถึงความดับทุกข์อย่างนี้เมื่อนั้นเธอเจร ะ, ะราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้ละอวิชาได้โดย ก, การทั้งปวงยังวิชาวิชาในที่นั้นคือในอารหัต h a m a k นะยังวิชาที่ในอร Hathamak ให้เกิดขึ้น เป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรคนแวนมาสู่พระสัจธรรมนี้ดังนี้อันนี้คือในสั จ, จวาระเออถ้าไปพิจารณาในเรื่องของคำว่าสัจจะในสั จ, จวาระนี่เนะี่ยอริยสัจเนี่ยนะ คำที่ที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกันต่อไปเนี่ยจากคำอธิบายที่เราฟังจากพุทธพจน์กล่าวคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถามว่าถ้าจะมีศรัทธาตั้งมั่นไม่ครอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมเนี่ยที่ท่านตั้งในเรื่องของสัจจาวาละขึ้นมาเนี่ยถ้าพิจารณาถึงว่าไอ้ความจริงเนี่ย ย้ำตัวความจริงมีหลายอย่างไหมความจริงมีหลายอย่างไหมพูดถึงตรงนี้เป็นนึกถึงสูตรหนึ่งนะในคําสอนของพระพุทธเจ้านะเออถ้าพิจารณาในสูตรนี้แล้วจะทําให้เออมองอะไรเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไปพิจารณาในจุลามาลุงคยะโอวาทสูตรเออพูดในกลุ่มของบุคคลที่มีความเห็นเนี่ยอริยสัจใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนที่จะถึงสูตรนั้นนะอยากจะให้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนบอกว่า อริยสัจสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมสาคัญที่ครอบงำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดใช่ไหมฉะนั้นในอริยสัจสี่นั้นนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ถ้าศึกษาคําสอนถ้าไม่รู้อริยสัจนี้แล้วก็จะจะไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จะเสียหายฉะนั้นเนื้อความที่แสดงนั้นเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจความสําคัญของอริยสัจ ท, ที่เราศึกษากันในสูตรเนี้ยท่านผู้มีพระพุทธเจ้าตรือท่านผู้มีอายุ ท่านบอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปในพื้นแผ่นดินสิ้นทั้งปวงนั้นเนี่ยย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างถามว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่เดินไปในแผ่นดินในโลกใบเนี้ยถามว่าไปประชุมลงเนี่ยถามว่ารอยเท้าก็อะไรใหญ่ที่สุดบอกรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนั้นกล่าวได้ว่าเป็นยอดเยี่ยมในบรรดารอยเท้าเหล่านั้นใช่ไหมย๊ะคร้องงามลอยเท้าเหล่านั้น รอยเท้าทุกรอยเท้าถ้าจะไปวัดกันแล้วต้องไปไประชุมลงในรอยเท้าช้างใช่ไหมโดยความมีขนาดใหญ่ชั้นใดกุศลรธรรมแม้ทั้งสิ้นทั้งปวงก็ส่งข้อลงในอริยสัจสี่เหล่านั้นอย่าว่าแต่กุศลธรรมเลยอากุศลธรรมใช่ไหมอรรรมกุศลกรรมบทลงในอริยสัจไหมกุศลธรรมอกุศลธรรมกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบวลงในอริยสัจไหมลงในอริยสัจอาหารสี่ลงในอริยสัจไหารรมพิสูจนทั้งหลายการรู้การ การรู้การเห็นของเราตามความเป็นจริงครบสามรอบอาการสิบสองเขาเรียกสามรอบเขาเรียกสามรอบอาการสิบสองในเรื่องอริยสัจสี่เหล่านี้<ม>ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มแจ้งตราบใดเท่านั้นเรายังไม่ปฏิญญานตนเองได้ว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถประชุมอริยสัจสี่ประชุมอริยสัจสี่แต่ละครั้งเนี่ยคือว่า ทุกเนี่ยกําหนดรู้ทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้แล้วก็กําลังกําหนดรู้แล้วก็กําหนดรู้แล้วสมูทไทยเนี่ยเป็นเหตุของทุกเนี่ยควรละใช่ไหมกําลังละแล้วก็ละแล้วเนี่ยนิโรธเนี่ยควรทําให้แจ้งกําลังทําให้แจ้งแล้วก็ทําให้แจ้งแล้วมาร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรดําเนินแล้วก็กําลังดําเนินแล้วก็ดําเนินจนจบสิ้นแล้วเนี่ยสามรอบเนี่ยนะ สี่ครั้งเป็นสิบสองไหมในโสดาปิมัค ก, ก็คือวนสามสกาธาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตมัคถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่สามารถทำอริยาาสัจสี่ให้บริบูรณ์แล้วจะไม่ปฏิญญาณตนเองว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ะภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่เข้าใจอริยาาสัจสีเราและเธอจึงได้วิ่งและแล่นล่อนไป เลื่อนล่อนไปตามพบต่างๆในชาติทั้งหลายมีสิ้นกาลนานคือเที่ยวไปในไหนเที่ยวไปในโลกทมว่าเมื่อตถาคตเนี่ยถ้าไม่ได้ตัดรู้วเลร้ยสัตว์สีไม่รอบรู้วเลี้ยสัตวสี่และเธอทั้งหลายไม่รั้วเลี้ยสัตวสี่ไม่รอบรั้วเลยสัตวสีตามคำ ส, สอนของเราในตำนวงอย่างนีน้เธอก็จะต้องมีชาติอยู่เรื่อยๆไอปารนาบอกว่าขอชาติจงอย่ามีแกเราเลย คือขออย่าให้ได้เกิดเลยเนี่ยจะได้ไหมไม่ได้หรอกหรือบางทีว่าขอให้คนคนนั้นเนี่ยคนนั้นอย่ามาเกิดในเราเลยขอไม่ได้ยังชาตินี่ขอให้คนเนี่ยคนปากแหวงจมูกอะไรคนปากแหวงคนพิกลพิการคนบื้อคนไม่ดีทั้งหลายอย่าได้มาเกิดกับเราเลยขอไว้นสดนี่นลครั้รนนงนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุปปพิกถาห้าแก่ อุบาลีเรื่อหาวดีกล่าวคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของการเป็นต้นนะเรื่องความเศร้าหมองของการแล้วก็เรื่องอนิสงค์ของเนคขมะขันพระ อ, องค์ทราบว่าอุบาลีเครื่องห่วดีมีจิตใจพร้อมมีจิตนุ่มนวลมีจิตประจิตปัสจากนิวรมีจิตปราบปืม้มแล้วก็มีจิตเลื่อมใสแล้วจึงประกาศประกาศสามุกังสิการธรรม สามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวคือทุกข์สมูทัยนิโรธแล้วก็มรรคการจะทําให้แจ้งการเข้าถึงสิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้ทําให้แจ้งยังไม่เข้าถึงกล่าวคือข้อที่ว่านี้ทุกขนีทุกขะสมูทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิรนนรโรทขะขามีนิปฏิปทาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นลักษณะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างนี้ เออถ้าพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ ต, ตรงเนี้ยนะจะทําให้เข้าใจว่าตรงนี้นะจะดูในจุลมาลุงกะยะโอวาทสุตว่าโดยย่อๆเลยนะตรงนี้นะจะทําความเข้าใจตรงนี้แล้วจะรู้ว่าทําไมอริยสัจสี่จึงมีความสําคัญคือในเวลาเย็นเนะี่ยท่านมาลุงกะยะบุตรมาลุงกะยะบุตรเนี่ยออกจากที่เล่นแล้วก็เข้าไปเฝ้าว่าผู้มีพระภาคเจ้าเยอะ พอไปถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาศเมื่อข้าพระองค์ไปที่หลีกเล้นเกิดความดำริในจิตขึ้นมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรคือไม่ทรงพยางค์อนทรงห้ามทิฏฐิเหล่านี้ห้ามความเห็นเหล่าเนี้ยความเห็นที่พระธเจ้าไม่พยากรคือความเห็นแบบไหนนู้ ในสูตรนี้นะโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อน น, อนั้นสตรีลัก็ณ์นนั้นชีพอย่างหนึ่งสตรีลัก็อย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ข้อที่พระผู้มีพรภาคเจ้าไม่ทรงพยากรณทิฏฐิเหล่าน <grouped S 2> <endi. S 1> ี้แก <analyzing. S 1> <para S 2> <ๆ>่เรานั้นเราไม่ชอบใจ แต่ว่าความเห็นอย่างนี้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่แก้ไขไม่อธิบายให้เราฟังในเราไม่เชื่อเราไม่ชอบใจเลยเราจักไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงพยากรคือถ้าพระพุทธเจ้าพยากรปัญหาที่เราตั้งขึ้นเราคิดขึ้นเนี่ยที่เราสงสัยอยู่เนี่ยเราก็จักประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า คือถ้าพระพุทธเจ้าตอบปัญหาตนเองแล้วตนเองถึงจะอยู่ประพฤติพรหมาจรรย์ยอมเตยลองคิดดูคนนะนะดูดูลักษณะเนี่ยคือต้องการไปต่อรองนะว่าเอ๊ะเนี่ยตนเองมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะต้องแก้ไขความเห็นของตนเองแบบนี้เพราะตนเองสงสัยเนี่ยถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ทรงพยากรจักไม่ทรงพยากรปัญหาก็คือว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงลโลกเที่ยงหรือเปล่าโลกหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดไหมหรือโลกไม่มีที่สุด เตือนต้นๆเนี่ยชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นเนี่ยนะถ้าหากพระพุทธเจา้าไม่ทรงพยากรจะทํำยังไงบอกถ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าไม่ทรงพยากรในปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยตนเองจะไม่อยู่จกไม่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์คือจะลาสิกขาออกไปเป็นกรหัสถ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงทราบว่าโรคเที่ยงขอจงพยากรเนี่ยคือไปถามพาระพุทธเจ้าบ่าขอพระองค์จงพยากรเถิด คือถ้าหากว่าทราบว่าโลกเที่ยงก็จงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงถ้าหากว่าโลกไม่เที่ยงก็จงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ว่าโลกไม่เที่ยงถ้าพระองค์ทราบทราบว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือเมื่อไม่ทรงรู้ไม่เห็นก็ขอให้จงตรัสบอกตรงๆเถอะบอกมีอะไรคุยกันตรงๆไอ้ <c oughs> คนกลุ่มนี้ยังมีนะเนี่ยได้รักษาไหนเงี่ยในสูตรในคําสอนตรงนี้นะถ้าคนที่ตรึกลืม ไม่เข้าใจเน่น่าจะไปดูพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าโรคมีที่สุดก็ขอจงพยากรณ์บอกข้าพระเจ้าโรคไม่มีที่สุดก็จงบอกแก่ข้าพระเจ้าขอจงพยากรณ์แก่ข้าพรเจ้าเองเทวโลกไม่มีที่สุดถ้พาพาระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทราบว่าโรคมีที่สุด ah ah aw, ก็ดให้บอกว่าไม่ทราบทีนี้เรื่องชีพก็ Soul, นั้นสรีละก็นั้นชีพอย่างอื่นสรีลาเป็นอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าพระผู้มีภ ah ah าคเจ้าทราบก็จงบอกนะ เมื sí, you, ่อถามไปสัตว no ์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอจงตรัสบอกตรงๆเถิดว่ารูปเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่มีอยู่ก็มีก็จงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าตายไปนั้นมีอยู่ก็มีและไม่มีอยู่ก็มี ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ขอจงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปนั้น่ะมีอยู่ก็ไม่ใช่และไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ก็มีไม่ไม่มีอยู่ก็มีเนี่ยหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็จงตรัสบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นสรุปก็คือต้องการไปทราบทิฏฐิหรือทิฏฐิของตนเองที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะต้องการไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคือแยกแยะประเด็นถามแต่ละเรื่องเลยเช่นโลกเที่ยงเนะี่ยบอกว่าเที่ยงไหมถ้าเที่ยงก็ขอยบอกว่ามีเที่ยงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่าอย่างไรรู้ไหมแต่ว่าดูก่อนมาลุงกัลยาบุตร เราได้พูดไว้อย่างนี้กับเธอหรือว่าเธอได้พูดให้กติกากับเธอหรือว่าเธอจงมาพืชพมจรรันในเราเถิดเราจับพยากรทิฏฐิทั้งสิบประการให้กับเธอว่าโลกเทียงโลกไม่เทียงเป็นต้นนั้นก็ไล่ไปตามลำดับได้ให้กติกากับเธอไว้หรือไม่ในตำนองอย่างนั้นก็หรือว่าท่านได้พูดไว้กับเราหรือว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระองค์จากประพฤติพรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงพยากรณ์นี้แก่ข้าพระองค์บอกเธอได้พูดไหมก่อนที่จะมาบวชเนี่ยบอกว่าที่มาบวชนี้เพื่อทิฏฐิสิบ ป, ประการนี้เพื่อความเห็นสิบ ป, ประการนี้ามาลุงกายบุตรบอกว่าไม่ใช่อย่าง น, านั้นพระเจ้าข้าวบอกไม่ใช่เลยไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นมาก่อนเลยดูก่อนมาลุงกยบุตรได้ยินว่าเราไม่ได้พูด ไว้กับเธอดังนี้ว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในเราเถิดเราจักพยากรแก่เธอในปัญหาดังที่ได้กล่าวสิบอย่างได้ยินว่าแม้เธอก็ไม่ได้พูดกับเราว่าฆ่าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ก็จักประจักประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักพยากรแก่ข้าพระองค์ดูก่อนโมฆะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นอะไรจะมาทวงกระไคเล่า ใน ไ, ไม่ถามนันทีว่าเธอเป็นอะไรเนี่ยและจะมาทวงเอาอะไรในทรรนองอย่างนั้นดูก่อนมารุงกะยะบุตรคือปัญหาจริงๆที่พระผู้มีภาคเจ้าพูดตรงนี้คือไม่ใช่ผู้ร้องขอหรือไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้น้ผู้มีหน้าที่มาร้องขอหรือผู้ที่ถูกขอร้องในเรื่องแบบนี้เปรียบเสมือนอะไรดูก่อนมารุงกะยะบุตรบุคคลใดแลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ทรงพยากรแก่เรา ในในทิฐิศิปการเพียงใดเราจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงนั้นตถาคตไม่พึงพยากรข้อนั้นเลยและบุคคลนั้นพึงทํากาลาไปโดยแท้ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่พยากรปัญหาเหล่านี้ท่านผู้นั้นจะตายไหมเขาก็ต้องตายถึงเวลาเขาต้องตายใช่ไหมใช่ทีใช่จะไม่ใช่ถึงเวลานั้นเราจากไม่พฤติพรหมจรรย์ในผู้ ทถาคดก็ไม่พยากรณก้อนั้นแกเราเราพึงคำการละไปโดยแท้ดูก่อนมาลุงกระยะเปรียบเส ม, มือนบุรุษบุรุษที่ต้องถูกลูกสอนถูกหอกนั่นเละอันอาบด้วยยาพิษฉาบทาไว้หนาคือยาพิษนั้นฉาบท้าไว้อย่างหนาเลยนะปักไปในสรีระเนี่ยทีนี้มิตรอมาดยาตสายเราิตก็พาบุรุษนั้นไปหาไปหาใครไปหานายแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัด บุรุษผู้ต้องการลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รู้จักบุรุษผู้ยิงมานั้นว่าเป็นคือคนยิงมาใ น, นไม่รู้ว่าเป็นใครถอกว่าเป็นกรรษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรมีชื่ออย่างไรมีโคตรย่างไรสูงต่ำดำขาวมีสีผิวอย่างไรอยู่บ้านไหนคามนิคมไหนนะครโน่นเพียงใดเราจักไม่นำลูกศรนี้ออกเพียงนั้นคือว่าบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รู้จักธนูที่ยิง คนที่ถูกยิงก็เหมือนกันวนะ่าตราบใดที่เข้าไปเจ้ายังไม่รู้เลยธนูที่ยิงมาเนี่ยใช่ไหมที่ยิงละมานะ่ะเป็นชนิดมีแรล่งหรือว่าเป็นเกาทันเป็นแรล่งหรือเป็นเกาทันหรือว่าสายที่ยิงมานั้นเป็นสายทําด้วยปอผิวไม้ไผ่หรือเอ็นเป็นต้นเนะี่ยถ้ายังไม่รู้ตราบใดอ่นะหรือว่าทำเองหรือว่าคนอื่นทําหรือว่าเขาเสียบ ด, ด้วยขนปีกนกแรงหรือนกตะกุมหรือเหี่ยวเนี่ยถ้าไม่รู้ตราบใดเนี่ยนะ เราจักไม่นำลูกศรนี้ออกเพียงนั้นดูก่อนมารุงกระยะบุตรบุรุษนั้นพึงรู้ข้อนั้นไม่ได้เลยโดยที่แท้บุรุษนั้นพึงทำกาลาไปฉันใดดูก่อนมารุงกริยะบุตรบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ทรงพยากรทิฏฐิสิประการนั้นนั้นแก่เราเพียงใดเราจักไม่ประพฤติพรหมจา ร, รในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้อนั้นตถาคตไม่พยากรเลย โดยที่แท้บุคคล น, นั้นพึงทํากาล้ไปฉันนั้นยอมาำพิษฟังตรงนี้เข้าใจไหมสมมุติยอมาำพิษไปโดนลูกศรมาใช่ไหมแล้วไปอยากก็พาไปหามิตรเออไปหาในแพทย์ไปหาหมอยอมาำพิษก็ตีโพยตีพายขึ้นมาบอกไม่ได้ตราบใดไม่รู้ว่าใครยิงยิงลูกศรเนี่ยใช่ไหมตราบใดที่ยังไม่รู้ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าใครยิง แล้วยิงมาแล้วกษัตริย์พราม์แพร่พสู่จันทานยิงเนี่ยถ้าไม่รู้นี่นะแล้วยิงมาจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกก็ยังไม่รู้แล้วยังไม่รู้ว่าที่โลกหนูเนี่ยทําด้วยอะไรบอกถ้าไม่รู้ก็ตามได้บอกว่าพระผู้มีดูสิไหมพระพุทธเจ้าถ้าปัญหาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเนี่ยพระองค์ว่าถึงก็ทํากาล้ไปก็จะไม่พยาดก่อนบุคคลนั้นพึงทํากาละไปฉะนั้นคือตายเปล่า ดูก่อนมารุญกยะบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้จักมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นถามว่าเจ้เธอมีความเห็นว่าโลกเที่ยงก็ไม่ใช่เป็นข้อบ่งบอกว่าเธอจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ดูก่อนมารุญกยะบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้จักไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมารุญกยะบุตรแม้ยังมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงอยู่ถามว่า ชาติติดทุกชราทุกมรณะทุกโศการปริเทวะทุกขโทมมะนะสสะและอุปาญาตก็คงมีอยู่ทีเดียวใช่ไหมพิจารณาออกไว้ตรงนี้ที่ปัญหาคืออย่างนี้ปัญหาตรงที่บอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยถ้าในขณะที่พวกเรายังมีความเห็นผิดอยู่แต่ชาติติดทุกยังมีอยู่ไหมชรลาทุกขมรณะทุกโศการปริเทวะทุกขโทมมะนะสสะอุปาญาตก็ยังมีอยู่ถึงเราจะรู้ ว่าความเกิดเป็นทุกข์หรือความเกิดเป็นสุขแต่ชาติทุกข์ก็มีอยู่เมื่อชาติคือการตั้งขึ้นคือการย่างลงในภพในขันทั้งหลายมีอยู่ทุกขสัจจกข้อนี้มีอยู่ชราทุกขมรณะทุกขเป็นต้นก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นนี่เป็นอย่างนั้นคงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนใช่ไหมพราะคู่มีประพาจ้ า, จ, าจึงบัญญัติข้อปฏิบัติปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่จะเพิกถอนชาต ถอนชลาถอนมรณะถอนโสกะปริเทวาทุกขโทมนาสัยเลวปายาบในปัจจุบันใช่ไหมพระพุทธเจา้าไม่สาวเลยไม่สาวอาดีตให้มากมายเลยนะไม่สาวสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะจริงๆแล้วมันเหมือนกับไฟกำลังไหม้คนคนนี้อยู่มองเห็นใช่ไหมไฟกำลังไหมอ้อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ย ไฟคือการเกิดไฟคือการเกิดไฟคือการแกร่ไฟคือความเจ็บไข้ทั้งหลายนี่กำลังไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่เราต้องการจะถามปัญหาที่จะไม่ได้เกี่ยวกับทุกข์และความดับทุกข์พระพุทธเจ้ า, าจึงไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะพยากรณ์สิ่งเหล่านั้นเลยนี่เป็นอย่างนั้นเราจึงบัญญัติเพิกถอนชาติชารามรณะเป็นต้นและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฐิว่า โลกมีที่สุดดังนี้จักให้มีการอยู่พุทธประพฤติพโมจารย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมารุงกยะเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดจักได้มีการอยู่ประพุทธพโมจารย์อยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมารุงกยะเมื่อยังมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชาติชารามรณะโสโกกาปริเทวะทุกขโทมนะสัอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติชารามรณะเป็นต้น ดูก่อนมารุงกระยาเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพก็อ น, นันตรีละก็อ น, นันต์เธอจักอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรืออย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นต้นนะนะแท้ที่จริงก็คือถึงจะมีความเห็นอย่างนั้นอยู่แต่ชาติชรามรณาโสกกาปริเทวะทุกขะโทมนาสอุปายาตก็ยังมีอยู่ทีเดียวฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดง ความเพิกถอนเนี่ยไหมชาติข้อปฏิบัติที่จะให้เพิกถอนชาติฉลาหมรณะเป็นต้นถึงบอกอีกคำหนึ่งที่บอกว่าดูก่อนมารงระยะเมื่อเธอมีถึงแม้เธอจะมีทิศทีว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ไม่ใช่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่เนี่ยจักได้มีอยู่อยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์แม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมา